ความหลังในสังสารบทที่ยี5สิบเอ็ดห้าสิบปีสุขสมอุดมมาศวันพุธแรมก้าข้ามเดือนแปดปีมะเส็งพลโทสมคิดจงพยุหะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกได้มาเป็นประธานวางสิลาเลสศาลาสุดธรรมภาวนาโดยมีพันโทหญิงวีนาตุงคัศวัตรเป็นผู้ถือพานเข้าตอกดอกไม้วัตถุประสงค์หลักในการสร้างศาลาหลังนี้คือเพื่อให้ข้าราชการทหารกองทัพ บ, บกได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะทหารได้ชื่อว่าเป็นรั้วของชาติหากทหารมีคุณธรรมประจาใจ เพราะได้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยอมปลีชีพเพื่อชาติได้โดยไม่ไปยุ่งกับนักการเมืองที่ส่วนใหญ่มักไร้คุณธรรมจิตใจฝักใฝ่แต่ในเรื่องโกงกินกอบโกยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของชาติมาเป็นของตนและพวกพ้องอย่างไรอย่างอายเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดีอีก20ปีข้างหน้าจะเกิดกะลียุคจะเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วโลกเพราะคนชั่วมีมากขึ้นคนดีมีน้อยลงจะเกิดภัยธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนุษย์เป็นภัยต่อธรรมชาติทำลายธรรมชาติเพราะความโง่เขลาไม่รู้คุณหวังแต่จะได้ถ่ายเดียวอีกไม่นานธรรมชาติก็จะคืนภัยมาให้มนุษย์ เมื่อถึงเวลานั้นมนุษย์จะต้องรับกรรมยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แม้จะมีเงินทองกอบโกยโกงกินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจนำเงินทองที่ได้มาโดยไม่ชอบนั้นปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นกรรมที่ทำไว้ได้เลยนอกจากให้ข้าราชการกองทัพโบกใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วศาลาสุธรรมภาวนายัางเป็นที่ปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนคนที่มีบุญจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสจะได้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่คนไร้ศิลธรรมสร้างขึ้นมาถ้าแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็ทำใจได้ ในอนาคตคนดีจะมีทุกมีปัญหากันมากเมื่อมีปัญหาก็หันหน้าเข้าวัดหอประชุมภาวนากรสรีธิพาและศาลาสุธรรมภาวนาจะมีคนดีเข้ามาปฏิบัติไม่มีวันว่างเว้นเดือนเมษายนปีพุทธศักราชสอ3พสาสาศาลาสุธรรมภาวนาเปิดรับคณะข้าราชการทหารบกเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรก ปกติข้าราชการทหารบกพากันมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ปีละครั้งที่หอประชุมภาวนากรสีทิพาเมื่อมีศาลาปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังจึงจัดปีละสองครั้งเพราะไม่ต้องรอคิวนานเหมือนแต่ก่อนต้นปีพุทธศักราชั้ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้เดินทางไปเยี่ยมในพ ล, ลีที่เชียงใหม่ โดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถตู้พาไปมีลูกศิษย์จากลบุรีที่เคยเป็นทหารเอกของท่านสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ติดตามไปสามคนเป็นหญิงล้วนเพราะในชาตินั้นเป็นคนเจ้าชู้เมียมากชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะเศษกรรมจากชาตินั้นมาให้ผลเมื่อลูกศิษย์ทางเชียงใหม่รู้ ก็พากันมากราบท่านที่บ้านในพลีวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมในพลีก็เพื่อจะมาขออนุโมทนาขอบคุณที่เขาได้ร่วมปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแถบชายแดนภาคเหนือไว้ให้คนไทยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนไทยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของท่านชื่อนางสาวชวีวรรณชัยศิริเป็นลูกสาวของนายพลี ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15วันและได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้ท่านฟังว่าบิดาและมารดาของเธอเป็นชาวจีนเกิดในบนทนยูนนานที่คนไทยรู้จักในนามจีนฮอซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของมณฑลยูนนานความจริงแล้วชาวจีนฮอเป็นชาวฮั่นซึ่งเป็นจีนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีน วิดาของเธอเป็นทหารยศในพลของรัฐบาลก๊กมินตั๋งสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีเจียงไคเช็กหลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้ยึดครองประเทศจีนแล้วในพ ล, ลีได้นำกองกำลังทหารซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและชาวบ้านหนีออกจากประเทศจีนโดยเดินเท้าข้ามแม่น้ำและภูเขาเข้ามาในประเทศพม่า และมาอาศัยอยู่ระหว่างตะเข็บชายแดนไทยพม่าประมาณปีพุทธศักราช2514กองทัพของนายพลีมีโอกาสเข้าร่วมกับกองกำลังทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ลาวเวียดนามและแมวแดงที่ดอยยาวดอยผาหมน อันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งในเวลานั้นขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อดอยผาตั้งเพิ่งจะแยกเป็นกิ่งอำเภอเวียงแก่นได้ไม่นานมานี้การต่อสู้ครั้งนั้นดุเดือดและรุนแรงมากใช้เวลาห้าปีจึงสงบ นายพลีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2514และได้ทูลกล้าวถวายหินจากหน้าผาในสมรภูมิรบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายว่าท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกจนได้รับใจชนะ นำแผ่นดินนี้กลับคืนมาถวายพระองค์ต่อจากนั้นอีกหลายปีท่านได้มีโอกาสช่วยทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลาสามเดือนและได้รับชัยชนะอย่างงดงามในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับครอบครัวของนายพลี ผู้มีคุณธรรมประจำใจคือความกตัญญูกะตะเวทีรู้คุณแผ่นดินถิ่นอาศัยที่แม้จะไม่ใช่ถิ่นเกิดของท่านเรื่องก็คือทหารคนสนิทของท่านสามคนที่หอบยิ้วกันมาจากประเทศจีนได้ติดต่อกับชนกลุ่มน้อยของพอม่าชื่อทางซีโฟหรือที่รู้จักกันในนามของขุนสาผู้ค้าฝิ่นและยาเสพติด จนทำให้ตัวเองร่ำรวยล้นฟ้าแต่ฆ่าคนอื่นให้ตายทั้งเป็นขุนสาทำให้คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องกลายเป็นทาตยาเสพติดสังคมไทยอ่อนแอลงซึ่งมาจากการกระทำของคนไทยด้วยกันเองเพราะจะโทษขุนสาข้างเดียวนั้นไม่ได้ต้องโทษคนไทยใจชั่วตัวร้ายที่นรกส่งมาเกิดคนพวกนี้ไม่ได้คิดถึงบุญคุณของแผ่นดิน ลดตัวลงไปสยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าขุนสาด้วยการร่วมค้ายาเสพติดไม่คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกันไม่นานคนพวกนี้ก็ต้องถูกกวาดต้อนไปลงนรกอีกทหารคนสนิทสามคนของนายพลลีซึ่งกลายเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้ร่วมกับขุนสาวางแผนจะฆ่านายพลี โดยมีค่าตัวถึงสามล้านบาทต่อคนหากแผนการชั่วร้ายสำเร็จเสร็จสิ้นแผนการของขุนศาคือคอยติดตามสอดแนมและหาโอกาสที่จะกำจัดในพลลีแต่คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสล่าชีวิตในพลผู้มีความกระตันญยูต่อแผ่นดินถิ่นอาศัยได้แม้จะพยายามอยู่หลายครั้งหลายหนหากก็ล้มเหลวทุกครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งได้นำระเบิดไปวางไว้ที่หน้าบ้านของท่านบังเอิญท่านไปพบแพทย์ที่กรุงเทพโดยลูกสาวคือนางสาวชวีวรรณเป็นคนพาไปภรรยาของท่านเฝ้าบ้านกับหลานสาวอายุสองขวบและหลานชายอายุ8เดือนแรงระเบิดทำให้บ้านสั่นสะเทือนข้าวของแตกหักเสียหายแต่ภรรยาและหลานทั้งสองของท่านก็รอดปลอดภัยมาได้ เพราะคนดีผีคุ้มนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้รั้วของเพื่อนบ้านเสียหายทว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายแต่ประการใดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2527คุนสาคงจะผิดหวังมากที่แผนการล้มเหลวอีกครั้งกระนั้น เขาก็เล่นละครด้วยการส่งจดหมายแสดงความห่วงใ ย, ยมาอยัางในผลีดังข้อความตอนหนึ่งว่าใครนะที่ทำกับท่านได้ถึงขนาดนี้ผมยังสำนึกในบุญคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือผมไม่เคยลืมเลยท่านเป็นคนดีมีเมตตาผมมั่นใจว่าวันหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะต้องจับได้ว่าใครเป็นผู้กระทา หากท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ขอให้บอกผมยินดีรับใช้ท่านเสมอก่อนที่จะมาเป็นราชาค้ายาเสพติดที่ร่ำรวยมหาศาลคุนสาเคยเป็นคนจนๆจนคนหนึ่งในชนกลุ่มน้อยมีสมบัติคือม้าสองตัวที่รับจ้างบรรทุกของสำหรับข้ามไปยังฝั่งพมา่าแต่อาศัยที่มีพรสวรรค์ในการพูด ก็ได้มาดูแลรับใช้ในพ ล, ลีโดยมีจุดประสงค์คือต้องการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากท่านท่านในพลผู้มีจิตใจดีอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ชายชั่วคนนั้นอกตันยูจึงในระคุณท่านสารพัดสารพันหากก็ทำอันตรายให้แก่ท่านไม่ได้แม้แต่สักครั้ง เพราะผู้ที่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณต่อให้คิดการอันใดยิ่งใหญ่เพียงไหนก็หาสำเร็จไม่คุณสาเป็นคนจิตใจเยี่ยมโหดมีวิธีการฆ่าที่สร้างความรู้สึกสยดสยองให้กับคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเรียกว่าฆ่าล้างโครคือฆ่าทั้งตระกูล โดยการตัดแขนตัดขาและผ่าลำตัวออกเป็นสองซี่วิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวอื่นที่ขัดผลประโยชน์กับเขาคนที่มาจากพมาก่าไม่มีใครไม่รู้ถึงความทารุณโหดร้ายของชายชั่วชื่อจางซีฟูหรือขุนสาผู้นี้ นางสาวชวีวรรณาคณะของท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยยูนานที่หมู่บ้านใหม่น้องบัวและหมู่บ้านถ้ำงบกิ่งอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่น้องบัวหมู่บ้านถ้ำงบและหมู่บ้านผาแดงมาให้การต้อนรับและได้นำคณะของท่านเจ้าคุณไปยังอนุสรสถาน ซึ่งมีรายชื่อทหารของนายพลลีที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับพวกคอมมิวนิสต์ที่ดอยยาวดอยผาหมนและดอยผาตั้งระหว่างเดินทางออกจากประเทศจีนสมัยที่คอมมิวนิสต์ครอบครองมีรายชื่อทหารที่เสียชีวิตทั้งหมดกว่าพันคนท่านเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงได้นําทุกคนสวดมนนั่งสมาธิ แล้วแผ่เมตตาไปให้ทหารที่เสียชีวิตเหล่านั้นเมื่อได้รับบุญกุศลจากพระพิสุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้เสียชีวิตเหล่านั้นบางคนก็ไปเกิดในสุคติส่วนบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดก็ได้พากันมารอท่านอยู่ที่เชิงเขาเพื่อจะขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านท่านจุาคุณใช้ภาษาจิตสนทนากับพวกเขา และขอให้พวกเขาช่วยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไปจนถึงเวลาที่พวกเขาพร้อมจะไปเกิดก่อนเดินทางกลับท่านจะคุณได้เมตตามอบเงินให้หัวหน้าหมู่บ้านถ้ำงบหมู่บ้านหมน้องบัวและหมู่บ้านผาแดงไว้ใช้จ่ายในการบริหารกิจการของหมู่บ้านพวกเขาปลาบปลื้มยินดีและซาบซึ้งในความเมตตาของท่านจนน้าตาไหล เป็นน้ำตาแห่งความสำนึกในบุญคุณของท่านซึ่งพวกเขาจะจดจำไปชั่วชีวิตออกจากอนุศน์สถานท่านชจ้คุณเดินทางไปเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝากฝังให้ผู้ว่าช่วยดูแลทุกสุขของชาวไทยอยู่นานเพราะพวกเขามีบุญคุณต่อประเทศด้วยเคยช่วยปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ให้สูญสิ้นจากแผ่นดินไทย ขณะที่คนไทยบางพวกไปฝักไฟหมกมุ่นในลัทธิคอมมิวนิสต์คิดคดทรยศต่อชาติของตัวเองเพราะความโฉดเคล้างมงายคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนายสมชายขับรถอย่างระมัดระวังขณะลงจากดอยผาตั้งลูกเขายัางเล็กเมียเขาก็ไม่ได้ทำงานราชการเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกเมียก็ลาบาก ไม่มีหัวหน้าครอบครัวซิแล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรและที่สาคัญไปกว่านั้นคือหลวงพ่อที่เคารพของเขาซึ่งแม้ท่านจะเป็นเจ้าคุณมาสามปีแล้วหากเขาก็ยังพอใจที่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อมากกว่าที่จะเรียกเจ้าคุณถ้าจะเรียกเต็มยศก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรจึงจะถูกเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณหรือว่า หลวงคุณเจ้าพ่อยังไหนถูกกันแน่สรุปแล้วเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมดีกว่าความคิดติดตลกของนายสมชายส่งกระแสไปถึงท่านเจ้าคุณซึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังคนขับท่านจึงมองไปยังกระจกหน้ารถเพื่อจะดูหน้าคนขับว่าเวลาที่เขากําลังคิดอย่างนี้อยู่นั้นหน้าตาเขาเป็นอย่างไรหล่อหรือว่าขีเละอนิจจา ไม่มีใบหน้าปรากฏในกระจกเพราะนายสมชายไม่มีเงาหัวท่านเจะคุณกำหนดเห็นหนอสามครั้งก็ยังไม่เห็นเงาหั ว, หวลูกศิษย์ผู้จงรักภักดีจึงเปลี่ยนมากำหนดสามปฏิจชามิสามครั้งเพื่อจะช่วยต่อหัวให้เขาคนโบราณหรือชาวบ้านทั่วไปมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่เดินไปข้างหน้าเราถ้าเขาชะตาขาด เราจะมองไม่เห็นหัวเขาที่เรียกกันว่าเงาหัวไม่มีเพื่อจะช่วยต่อให้เขาให้เอารองเท้าเคาะหัวหรือกล่าวคำว่าสัมปติชามิคำนี้ไม่ใช่บาลีแท้ไม่มีความหมายอะไรไม่มีที่มาหรือหลักฐานอ้างอิงแต่ประการใดในบาลีมีคำว่าสัมปติชนะจิตตะแปลว่าจิตที่รับอารมณ์ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าสัมปติชามิคือเป็นคนละเรื่องกันท่านเจ้าคุณกำหนดสัมปติชามิสามครั้งแล้วเงาหัวของสมชายก็ยังไม่ปรากฏท่านรู้ทันทีว่าเขาจะต้องตายเพราะกรรมเวรแต่ครั้งอดีตชาติตามมาให้ผลกรรมที่เขาทําปานาติบาตเอาไว้เขาจะต้องชดใช้อย่างไม่มีทางกเลี่ยงได้ วิธีเดียวที่เขาสามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปก็คือต้องเข้ากรรมฐานมีแต่กรรมฐานเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ผีและเจ้าช่วยไม่ได้เลยกลับไปวัดแล้วท่านจะให้เขาเข้ากรรมฐานหนึ่งเดือนโดยให้แม่สุมทองยิ่งสิ์กรรมฐานรุ่นเดียวกับแม่พิมพ์เป็นผู้สอนหลังสามีถึงแก่กรรมแล้วแม่สุมได้ย้ายมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วง เพื่อช่วยท่านสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะซึ่งมีจำนวนมากและมากันตลอดปีไม่มีวันใดที่วัดป่ามะม่วงปราศจากผู้ปฏิบัติกลางปีพุทธศักราช2536ัโ25ยมสุนีพาลูกชายคนเดียวมากราบท่านเจ้าคุณขณะรอท่านอยู่ที่กุฏิชั้นล่าง ก็นึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบถุงผลไม้ออกมาจากรถจึงบอกให้ลูกชายเดินไปหยิบมาให้ลูกชายลุกออกไปแล้วเธอเกิดอยากเข้าห้องน้ำจึงวางกระเป๋าถือไว้ข้างอาสนะคิดว่าเดี๋ยวเดียวก็มาครั้นเข้าไปในห้องน้ำเกิดปวดท้องจึงเสียเวลาอยู่ในนั้นกว่าสิบนาทีจากนั้นจึงกลับมานั่งรอท่านเจ้าคุณต่อ ฝ่ายลูกชายของเธอก็ได้นําผลไม้ไปให้แม่ครัวเพื่อเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณลงมาแล้วสองแม่ลูกจึงกราบท่านด้วยเบญจางคปาบดิษแล้วคนที่เป็นแม่ก็กราบเรียนว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายหนูจึงพาเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อค่ะอายุเท่าไรแล้วล่ะท่านเจ้าคุณถาม22ครับ แม่เตรียมปัจใจมาถวายหลวงพ่อสองแ0 0บาทครับลูกชายโยมสุนีกราบรายงานโยมสุนีจึงเปิดกระเป๋าถือเพื่อจะหยิบซองเงินที่เตรียมมาถวายท่านเจ้าคุณเนื่องในโอกาสวันล้ายวันเกิดของลูกชายแต่ปรากฏว่าไม่มีซองเงินอยู่ในกระเป๋ากล่องแหวนเพชรก็หายไปด้วยแสดงว่าตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ามีคนมาแอบหยิบไป และต้องเป็นคนในวัดนี้เมื่อลูกชายรู้ว่าเงินหายจึงบอกผู้เป็นแม่ว่าคุณแม่เราไปแจ้งความที่โรงพักกันเถอะอย่าเลยหลวงตาไม่อยากให้ปากคำกับตำรวจท่านจะคุณห้ามเพราะท่านรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปท่านคิดไม่ถึงว่าเด็กที่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่ยังแบบบเบายัางในแดงนอกจากจะเอาดีไม่ได้แล้วก็ยังทาเรื่องไม่ดีในกุติของท่านอีก เขาขโมยเงินและแหวนเพชรของโยมสุนีไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนาก่อนสีทิพภาการกระทําชั่วในครั้งนี้จะส่งผลให้เขาต้องตายในอีกหกเดือนข้างหน้าหากโยมสุนีแจ้งตำรวจเขาก็จะไปตายในคุกและจะทำให้เสียชื่อวัดป่ามะม่วงว่าเลี้ยงโจรไว้ผมกับคุณแม่จะเป็นคนไปให้ปากคำเองครับลูกชายโยมสุนีกราบเรียน เขารู้สึกโกรธแค้นเจ้าขโมยคนนั้นจะให้มันติดคุกหัวโตวไปเลยหลวงตาขอบินทบาทนะหนูไม่ต้องแจ้งความหลวงตาสัญญา ว, ว่าจะจับขโมยภายในหกเดือนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงตาจะหาเงินมาใช้คืนหนูส่วนแหวนก็จะตามมาคืนให้ได้ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อถือซื้อว่าลูกชายถวายเงินหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อไม่ต้องหามาคืนหนู ถ้าอย่างนั้นหนูกับลูกขอกราบนมัสการลาค่ะสองแม่ลูกกราบลาท่านเจ้าคุณแล้วก็พากันเดินไปที่รถท่านเจ้าคุณมองตามจนกระทั่งสองคนขึ้นรถและขับออกไปจากวัดท่านนึกสมเพศเวทนาในแดงที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้เขาทำให้โยมสุนีและลูกชายไม่พอใจที่ท่านไม่ให้ไปแจ้งความ ตอนเย็นของวันที่ยี่สิบก้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบกนแดงขี่รถเครื่องคันใหม่เอี่ยมออกจากวัดเพื่อจะไปซื้อผ้าในตัวจังหวัดสิงห์บุรีมรืนนี้เขาจะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ส่งท้ายปีเก่าโชคดีที่โยมสุนีวางกระเป๋าถือไว้ตอนที่เข้าห้องน้ำเขาจึงถือโอกาสได้เป็นเจ้าของรถเครื่องคันนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ก็จะได้เสื้อผ้าสวยๆมาใส่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชายหนุ่มคิดอย่างมีความสุขพลางเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพื่อจะได้ถึงตัวจังหวัดเร็วๆแต่แล้วเขาก็ถูกรถบรรทุกชนอย่างแรงจนกระเด็นตกจากรถหัวฟาดพื้นขาดใจตายในทันทีท่านเจ้าคุณให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นทาบุญเลี้ยงพัทหารเพลพระ จากนั้นจึงชาปนกิต จ, จะได้ไม่เป็นผีข้ามปีเป็นอันว่านายแดงจบชีวิตลงอย่างไม่สวยงามทั้งที่อยู่กับท่านเจ้าคุณผู้มีแต่ความดีงามอยู่มานานเกือบ30ปีเท่ากับอายุของเขาทว่าไม่ได้ซึมซับความดีของท่านเลยแม้แต่น้อยจึงจัดอยู่ในบุคคลประเภทตะโมตมะปรายโน สมภารวัดป่ามะม่วงตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่พบหลวงพ่อในป่าที่จังหวัดขอนแก่นสมัยที่ท่านวดหม่ๆว่าท่านจะต้องคืนของดีให้กับขอนแก่นและท่านก็ได้ทำตามปณิธานที่ตั้งไว้คือการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลูวันขึ้นโดยเริ่มต้นจากที่ดินจำนวนสิบไร่ที่รองศาสตราจาร ย, าย์ดรลําไยโกวิทยากร อาจารย์คณะเศษรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถวายช่วงที่ท่านเดินทางไปดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถพาไปท่านได้แวะเยี่ยมพ่อแม่ในอดีตชาติซึ่งเป็นชาวซิกจากประเทศอินเดียมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย โดยเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่อำเภอบ้านไาท่านได้มอบเงินให้จานวนสองหมื่นบาทให้ครอบครัวนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจึงตั้งใจใช้นี่มนุษย์ให้หมดจะได้ไม่มีนี่สินติดตัวไปในปรโลโลกนายแดงตายจากไปยังไม่ทันถึงสองเดือนนายสมชายก็มาตายจากไปอีก จากการไปของนายสมชายเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพราะเขาเป็นสิทธ์ก้นกุฏิที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นสิทธ์ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีความฉลาดหลักแหลมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อเสียมีอย่างเดียวคือเขาห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองกล่าวคือเมื่อกลับจากเชียงใหม่คราวนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมเข้ากรรมาฐานตามที่ท่านแนะนา เหตุเพราะห่วงลูกห่วงเมียกลัวลูกเมียจะลำบากหากเขาจากบ้านมาอยู่วัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมาเพราะจะล่าใจว่าท่านช่วยเขาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครช่วยใครได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเย็นวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสั 37, หลังจากปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จสิ้นลงเขาจึงขับรถออกจากวัดป่ามะม่วงเพื่อกลับบ้านขับด้วยความเร็วอันเป็นปกตินิสยัยลืมไปว่าหลวงพ่อของเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรถด้วยเมื่อรถแล่นข้าวถนนสายบางงาปากบางถูกคนเมาขี่รถจักรยานตัดหน้าเขาเหยียบเบรกจนตัวโกงรอยเบรกยาวหลายสิเมตร คนเมารอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดขณะที่ตัวเขาถูกแรงเวียงกระเด็นออกจากรถตกลงบนพื้นถนนคอหักสํานึกสุดท้ายที่เขาบอกตัวเองคือรู้อย่างนี้เชื่อหลวงพ่อสักก็ดีแล้วเขาจึงไปหาท่านไม่สนใจรถกระบะที่นอนแองแมงอยู่ข้างถนนอึดใจเดียวก็ถึงวัดป่ามะม่วงเขารายงานท่านเจ้าพนว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้น จึงกล่าปลาด้วยข้อความว่าผมจะไปหาแม่ใหญ่ขอให้ช่วยสอนกรรมฐานแม่ใหญ่ก็คือโยมสุม่มทองยิ่งท่านจะขุนย้าาลูกศิษย์ที่ชีวาวอดวายกลายเป็นผีว่าขาก็ไม่รู้มอนกันว่าโยมสุม่มแกจะยอมสอนผีหรือเปล่าที่ขารู้ก็คือพอเองตายเมียเองก็จะมีเมียใหม่ ค่าเคยพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วเองจำได้หรือเปล่าผมไม่จำหรอกครับและผมก็ไม่หึงด้วยเขาจะมีผัวใหม่หรือเมียใหม่ก็เรื่องของเขาแต่ผมยังห่วงหลวงพ่อไม่มีผมแล้วหลวงพ่อคงลำบากพูดมาถึงตรงนี้ผีในสมชายก็ร้องไห้เพราะความเป็นห่วงหลวงพ่อที่เคารพเองไม่ต้องห่วงข้าหรอก เอาเธอะข้าจะให้เมียเองมาทำงานแทนเองงานไหนที่เองเคยทำข้าก็จะให้เขาทำยกเว้นเรื่องการขับรถเดี๋ยวจะมีคนมาขับให้เขาใจเย็นกว่าเองเอาละไปหาโยมสมได้แล้วเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงจัดงานศพให้ในายสมชายอย่างสมเกียิผิดกับงานศพในแดง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนทั้งสองมีคุณสมบัติทางใจต่างกันทำกรรมต่างกันจึงได้รับผลต่างกันงานศพในแดงจัดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะท่านไม่ต้องการให้เขาเป็นผีข้ามปีคนที่มาร่วมงานมีแต่คนในวัดไม่มีคนนอกเลยส่วนงานศพในสมชายท่านให้มีการสวดพระอภิธรรมและถวายพัตหารพระสงฆ์รวมเจคืนเจวัน มีคนมาร่วมงานมากมายเพราะนายสมชายสร้างความดีไว้มากโยมสุนีและลูกชายก็มาร่วมงานท่านคืนแหวนเพชรที่ในแดงขโมยไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนาก่อนสีธิพาให้โยมสุนีส่วนเงินไม่เหลือแล้วไม่รู้เขานําไปใช้อะไรหมดท่านยังหวั่นใจเกรงว่าโยมสุนีจะทวงแหวนมรกรล้อมเพชรที่ฝากท่านไว้ โยมสุนีไม่รู้ดอกว่าทันทีที่เธอลุกออกไปนางสาวต้นหลิวก็มาขอยืมแหวนวงนั้นและไม่นำมาคืนจนบัดนี้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพโยมเสงกับโยมผ่องใสใจบุญและญาติมิตรได้อัญเชิญพระพุทธสิวิไล เป็นพระพุทธรูปปางพุทธลีลามาประดิษฐานที่หน้าศาลาสุดธรรมภาวนาส่วนหน้าหอประชุมภาวนากรสีทิพานั้นท่านเจ้าคุณได้นำพระบรมรูปพระปิยมหาราชมาประดิษฐานไว้เมื่อหลายปีมาแล้วทําให้หอประชุมภาวนากรสีทิพาได้มีอีกชื่อหนึ่งว่าศาลารอเก้า โยมเสงงได้กลาบเรียนท่านเจคุณว่าสมเด็จโตไปเข้าฝันเขาให้เขาหล่อรูปสมเด็จและหลวงปู่แสงอาจารย์ของท่านมาไว้ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อเขาบอกว่าไม่รู้จักหลวงปู่แสงไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างไรจะไปหาดูได้ที่ไหนสมเด็จโตก็บอกเขาว่าให้มาถามท่านเจ้คุณวัดป่ามะม่วงท่านเจ้คุณบอกโยมเสงว่า ให้ไปดูรูปหล อ, อกของหลวงปู่แสงได้ที่วัดมณีชนลขันจังหวัดลบบุรีโยมเสงจึงนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปดูด้วยแล้วก็จะถวายพัฒหารเพลงที่บ้านใหม่ของเขาเขาได้ย้ายมาอยู่ที่ลบบุรีตั้งแต่ปี2530โดยมาซื้อที่ปลูกบ้านในซอยโกษาในวงเล็บปาน เมื่อย้ายมาอยู่ที่ใหม่โยมเสงก็ทามาค้าขึ้นยิ่งกว่ายอยู่ที่สุพรรณบุรีเขาจึงมีเงินทําบุญมากขึ้นยิ่งทําบุญมากเท่าไหร่เงินก็ไหลนองทองก็ไหลามามากเท่านั้นเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรคือหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงบัดนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้ว แต่ถึงท่านจะเป็นเจ้าคุณท่านก็ไม่เย่อหยิ่งไม่หลงหลายติดข้องในยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนพระบางรูปที่นอกจากจะไม่มีความดีติดตัวแล้วยังอิจฉาริษยาพระที่ท่านทำความดีอีกด้วยที่ร้ายไปกว่านั้นคือเจ้าคุณผู้โง่เขลาบางรูปถึงกับสั่งพระเล็กพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่า ยามาสร้างความดีให้เกินหน้าเกินตาตนพระประเภทนี้ก็มีอยู่น่าสงสารที่ท่านมาบวชเพื่อทําทางไปนรกให้ตัวเองนอกจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผู้เป็นกัลยาณมิตรอันล้ําเลิศของเขาแล้วโยมเส่งยังมีกัลยาณมิตรอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคลือหัดเช่นเดียวกับเขาคือนายทองดีบ้านอยู่พุทธมนตรสายสอง บ้านนายทองดีมีพระอติธาตเสด็จมาเป็นจํานวนมากหากมีคนมาขอเขาก็จะมอบให้โดยไม่หวงแหนแต่ประการใดและหากมีพระอติธาตองค์ใหญ่เสด็จมาเขาก็จะรวบรวมไว้เพื่อได้จํานวนมากพอก็จะโทรศัพท์มาบอกโยมเสงเพื่อชวนกันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่พระตำหนักภายในวัดบวรนิเวศวิหารและทูลเกล้าถวายพระอทธาทธิตาสสมเด็จพระสังฆราชทรงเก็บไว้เมื่อมีภิกษุอคันตุ ก, กะจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนก็จะประทานพระอทธาทธิตาสที่ในทองดีนํำมาถวายนั้นแก่ภิกษุอคันตุ ก, กะปีพุทธศักราช2539ั25 39, เป็นปีที่พระศกนิกรไทยต่างปลาปลื้มยินดี เพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแห่งพระบรมราชจั ก, กรีวงศ์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีตลอดระยะเวลา50ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระธรรมราชาแห่งสยามทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุข แกอนาประชาราษที่ประชาชนคนฉลาดย่อมมองเห็นและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยอมปลีชีวิตเพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับสถาบันชาติศาสนาต่อไปตราบนานเท่านานบรรดาศิลปินทั้งหลายได้ช่วยกันประพันธ์เพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาขึ้น เพื่อให้คนไทยได้รู้ได้เห็นและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรของพระองค์ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ตามวัดวาอารามคนไทยก็ได้ยินแต่เสียงเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาดังก้องกระหึ่มไปทั่วทุกเขตคามคนไทยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่มีใครที่จะร้องเพลงนี้ไม่ได้ r i g ป่ามะม่วงตําบลพรมบุรีอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะอาวาดคือพระภาวนาวิสุทธิคุณได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับประวัตนสสูตรทุกวันที่9ของเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมไปจนถึงวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2539 เวลาบ่ายสองโมงขั้นตอนในการเจริญพระพุทธมนตธรรมจักกับประวัตนสูตรเริ่มตั้งแต่พิธีกรกล่าวคำอาเซียลวาดดังนี้อาเซียลวาดราชสุดีถวายพระพรชั ย, ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอเดชะฝาลอองทุลีพระบาทบรมนาศบพิษนริศร พระภูมิพลทรงทันขวัญ น, นครประชากรเชิดชูและบูชาพระเดชแข็งแสนคลังสุดชังได้พระคุณท้ายเหลือคเนดังเวหาพระบารมีแผ่กว้างภ้างนภาพระเมตตาเปียบประดุษสมุทรไทยห้าสิบปีสุขสมอุดมมาต วันครองราชชื่นชมสมสมัยปวงฆ่าบาทพร้อมกับวัดจัดรวมใจราลึกในพระคุณอุ่นกะมอนร่วมบาเพ็ญบุญกุศลผลถวายขอลือสายสุกเกษมเปรมกุศลพระโรคที่เสียดแทงแฝงสกลจงห่างพ้นอย่ามีมาบีทา ขอเดชะพระไตรรัตน์เป็นฉัดกั้นช่วยป้องกันอันตรายทั้งซ้ายขวาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองลิทธาอารักขาพระองค์ผู้ทรงธรรมขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระชนเกินไม่น้อยร้อยฉนำ้ำเดชะอาเยลวาตประกาศธรรม นี้จงสามลิตรผลบันดลเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพิสุและอุบาสกอุบาสิกาวัดป่ามะม่วงจากนั้นพิธีกรอรัธนาพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยพระพิสุรูปที่นั่งลำดับที่สามกล่าวคำชุมนุมเทวดา พระภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่หนึ่งคือท่านเจ้าคุณนำสวดบทนมัสการว่านาโมตัสสะภควะโตพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่อรหะโตไปจนถึงสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะรวมสามจบตามด้วยไตรสรนคมน้ำการสิทธิคาถานาโมการัตถคถ า, าจบแล้ว ภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่สสวดบทขัดธรรมจักกปวัตนสูตรตั้งแต่อนุตรังอภิสัมโพธิงจนถึงสังขีตันตมพนามเสจากนั้นภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่หนึ่งนำสวดเนื้อหาของธรรมจักกปะปวัตนสูตรว่าเอวัมเมสุตังพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่เอกังสมยังพควา จนจบแล้วต่อด้วยมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตตสูตรวัตกะปริตขันธปริตทัชชคปริตอาตานาติยาปริตอังคุลิมานปริศโพชังคปริตอพยปริศมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคาถามงคลจักรวาลใหญ่เมตตานิสังสุตต ป, ปโถชยปริศอาตานาติยาปริศแบบย่อ เทวตาอุยโยชนะคาถาชัยมงคลอัตคาถาโภชนานุโมทนาคถ า, าและมงคลจักรวานน้อยเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณนำพระพิสุและอุบาสกอุบาสิกากล่าวคำถวายพระราชกุศลดังนี้อิทังมหาราชภาูมิพละสะสราชินียา โหตุสุขิโตโหตุอโรโคโหตุทีคายุโกโหตุมหาราชาภูมิพโลสราชินีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ จงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิแพ้ว่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานชั่วนิวรันดรอนเทินท่านผู้ฟังที่เคารพคะความหลังในสังสารเขียนโดยสุทธสาอ่อนค้อมจบบริบูรณ์แล้วนะคะดิฉันเพนสีอินทรัน์ กราบขออภยัยถ้ามีคำใดที่อ่านตกบกพร่องหรือผิดเพี้ยนไปเนื่องจากผู้อ่านมีการศึกษาน้อยแต่ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงใช้ในโอกาสต่อไปโทรศัพท์แนะนำได้ที่0819197268ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ หากท่านต้องการซีดีธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องที่หกความหลังในสังสารเพื่อ น, นำไปฟังทบทวนโปรดติดต่อได้ที่เพนสีอินทรทัศน์0819197268 0 8 1 9 1 9 7ห6 8, 8, 8หรือที่คุณน้ำทิพย์ศ8น8์แปดหน 081 828 8298นะคะ